เข้ใาใจว่าศาลาเท่านี้คงไม่พอก็นั่งเพื่อนต้องสร้างศาลาหลังใหญ่ทีเดียวเพื่อนแต่ก่อนก็อย่างว่านะเนาะคนแต่ก่อนเพื่อนมีวาทนาบารมีมากเหตะนั้น จึงสาวขีกันได้มากจึงมารักษาอุโบสถสินวันพระแปดคำสิบห้าคำพังธรรมในตำรานั้นกล่าวไว้ว่าบางครั้งก็ชวนกันพังธรรมตลอดคืน น, นี่คนมีบา ร, รมีแก่กล้าเป็นอย่างนั้น ก็ทำให้อิเดนตัธหามมันน้อยเบาบางลงไปนนเมื่อได้ฝึกตนได้ทรมานตนอย่างนั้นมันก็เป็นผลดีต่อตัวของเราทุกค น, นนั่นแหละถ้าหากว่าจะไปชอบตั้งตจความสะดวกสบายชั่วคราว ไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามกติกาอย่างนี้อินทรีย์บารมีมันก็ไม่แกกลลาได้ง่ายๆ <c oughs> อย่างรักษาวโวสถินของชาวบ้านอย่างนี้เนะี่ยท้าหากว่า ไม่ขัดข้องการทำมาหารนี่ยงชีบจริงจังอย่างนี้ก็ตั้งอกตั้งใจรักษาอุโบสถศิลให้ได้วันแปดคำวันสิบป้าคำเดือนหนึ่งเพียงสี่วันนี่เข้าใจว่าคงจะไม่ถึงกับยากจนมกักงการที่ไม่ได้ทำ การทำงานในเดือนหนึ่งสี่วันเนี่ยเดือนหนึ่งมีสามสิบวันสามสิบหกวันหนึ่งทำงานยี่สิบหกวันหนึ่งทำงานสี่วันหนึ่งมารักษาอุโบสถศินในวัดอย่างนี้ มันก็เข้าใจว่าคงไม่ถึงกับยากจนคนแค้นมเมื่อผู้ใดตั้งใจได้อย่างนี้มันก็ทำให้อินทร์บารมีแก่กล้าเรียกว่าทำให้บุญมากขึ้นวันไว้พูง่ายเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีให้มากให้แก่กล้า ไอ้คิดอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนั้นมันกนานพ้นทุกคนเราบุญน้อยแล้วก็มีสุขน้อยมีทุกข์มากนี่จะไปเกิดไปพบได้ชาติใดก็ดีถ้าบุญน้อยแล้วก็มีแต่ความทุกข์มากมีความสุขแต่น้อย อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้หลคนบุญมากคุน้อยพ อ, พอที่เราจะมองเห็นกันแล้วนี่มันเป็นยังไงแต่ว่าคนบุญมากบางคนบางหมูบุญกุศลหนังมาตกแต่งให้ร่ำรวยมีฐานะดีแล้วก็ลืมตัวบบนี้นะ นึกว่าทนร่ำรวยเองโดยไม่ต้องอาศัยบุญกุศลทนหลังมาสนับสนุนก็เลยลืมตัวเลยไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งสมบุญเราไปสั่งสมใจเงินทองเข้าของอเกียรติยศชื่อเสียงเท่านั้นอันนี้มีเป็นส่วนมากในโลกนี้ ้นในความที่ไม่เข้าใจคำสอนของพระทเจ้าให้ละเอียดถี่ท้วนนะแม้จะเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามนะมเมื่อไม่ศึกษาไม่ฟังคาสอนของพระทเจ้าให้ละเอียดถี่ท้วนหรือไม่ฟังบ่อยๆเช่นนี้ความเข้าใจลึกซึ้งใน คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่เพียงพอก็เลยขาดตกบกพร่องในการสร้างบุญสร้างกุศลแทนที่เรามีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลให้เกกล้ามากกว่านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างสำเพาะความความประมาทก็ว่าได้ คือความไม่เอาใจใส่ไม่คิดไม่นึกไม่ตรึกตรองดูชีวิตของตัวเองว่าตนเองนั่นน่ะมีความสุขพอแล้วหรื อ, อยังเกิดมาชาตินี้อย่างนี้นะ่ะมันไม่คิดคำนึงนะแล้วความสุขที่ยิ่งไปกว่านี้มีหรือไม่ พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้อย่างไรเช่นนี้ไม่ไดเอามาคิดมากรองกัน<อ>เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ขามขามเมนกันนั่นแหละการแสวงหาบุญมันก็เหมือนกับคนแสวงหาเงินนั่นนี่ผู้ใดเกียดคลานทำการทำงาน การหาเงินหาทองก็ได้ เ, เล็กๆน้อยๆไปเพราะว่านถ้าผู้ใดหมั่นขยันแล้วก็มีสติมีปัญญารู้จักช่องทางหาเงินหาทองเช่นนี้ก็ได้เงินได้ทองมากมนั่นเนี่ยก็ร่ำรวยขึ้นฉันใดผู้แสวงหาบุญกุศลก็เหมือนกันเนี่ย ถ้าหากว่ามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าอ้าวการสั่งสมบุญกุศลนี่เป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตของเราโดยแท้ถ้าหากว่าเรามีบุญน้อยเราก็มีสุขน้อยมีทุกข์มากถ้ามีบุญมากก็มีสุขมากมีทุกข์น้อย บุญนี้แหละจะส่งเราไปสวรรค์ส่งไปพระนิพพานเชิงอื่นใดๆ ไ, ไม่มีที่จะส่งให้เรามีความสุขสูงขึ้นไปจนถึงความสุขอันสูงสุดคือพระนิพพานก็เคยพูดอยู่ไว้บ่อยอยู่แล้วเน่ยก็ต้องสร้างบุญให้เต็ม อย่างว่าพระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายนี่ก่อนเจรินสร้างบุญบา ร, รมีมาเต็มมริบุญดีแล้วก็จึงได้บรรลุอรหัตอรหรันดับขันเข้าสู่พระนิพพานผู้ใดบุญบา ร, รมียังไม่เต็มหากว่าไม่ได้ดทำบาปละ บ, บาปเสีย สร้างบุญกุศลไปเรื่อยๆไปแต่บุญยังไม่เต็มเข้าสู่นิพพานยังไม่ได้ก็มีสวรรค์เป็นที่ไปเป็นที่อยู่มีความสุขยืดยาวนานก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่ก็บุญกุศลเนี่ยอนุภาพแห่งบุญกุศล น, นี่แหละ ไอ้ทาเมื่อสร้างบุญกุศลมากมากเข้าไปแล้วมันพายไปเกิดสุคติโลกสวรรค์และมีอายุยืนยาวนาน เ, าเทียบกับอายุมนุษย์นี่หลายร้อยล้านปีเทวดาแต่ละตนน่ะตนเพราะอย่างสวรรค์ท่านราวริงอย่างนี้ก็มีอายุ พันปีทิพย์เป็นอายุไขแต่ไม่ใช่ว่าเทวดาจะมีอายุตลอดพันปีทิพย์ทุกตนไม่ใช่นะมันก็เหมือนมนุษย์เราเนี่ยนะผู้สร้างบุญบา ร, รมีไม่ไม่มากพอที่จะถึงอายุไข่ตายแล้วไปเกิดสวรรค์ท่านดาวริงก็เสวยผลบุญนั่นไปพอหมด ผลบุญอ น, นันลงไปแล้วก็อายุไขยังไม่ถึงก็จุดติจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้อีกมาสร้างบุญบา ร, รมีอีกอย่างนี้นะบางท่านบางคนสร้างบุญบา ร, รมีมากอย่างนี้เมื่อไปเกิดสวรรค์ก็อยู่ไปได้จนถึงอายุไขพันบีทิพย์ แต่ในตำราท่านกล่าวไว้อีกว่าผู้ที่สร้างบุญกุศลมากจริงๆเข้าไปอย่างนี้ตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ท่านต่ำนี้ก่อนเช่นท่านดาวดึงเมื่ออาอยู่ไปถึงอายุพันปีทิพย์แล้วบุญยังไม่หมดแต่อายุหมดแล้วในชั้นนั้น ก็เคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดาวริงไปเกิดชั้นยามาขอบุญยังอยู่ในตำราท่านยังกล่าวว่าเทวดาบางชนเนี่ยเลื่อนขั้นขึ้นไปจนถึงหกชั้นบุญบุญกุศลจึงหมดก็มีพราะนั้นน่การสร้างบุญบารมีของคนเราเนี่ยมัน ยิ่งมันย่อนกวกันอย่างนี้น ะ, อ, ะอย่างอนาัาบินิกามหาเศรษฐีอย่างนี้ท <c oughs> ่านก็สร้างบุญกุศลเต็มอัตราเลยประเดียวเพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนมาเพิ่งก็สร้างบุญกุศลมา มากมายก็ถึงได้เป็นเศรษฐีเมื่อมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้านี่นะความธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุโสดาบันผู้บรรลุโสดาบันเราเย่งทาบุญหลายแต่ว่าบุญเพื่อนก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้บรรลุพระนิพพานเมื่อหมดอายุสังขารแล้ว ก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงนู่นนะชั้นไปเกิดชัน้นดุสิตนู่นไปเกิดชั้นรุสิตนั้นรูปละเอียดมากลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะลงมาแล้วก็เดินไม่ค่อยได้อ่ารูปละเอียดมาก พระ อ, องค์ได้แนะนําให้กระทําในใจอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นนนเพื่อนกุกระทําในใจตามที่พระ อ, องค์แนะนําก็จึงมีกําลังแข็งแรงขึ้นเดินมากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าได้ปัจจานั้นอานุภาพของบุญกุศลทําให้คนเรามีร่างกายละเอียดและ มูลไมอเพราะฉะนั้นการทำบุญกุศลจุดหมายปลายทางของเราชาวพุทธก็อยู่ที่พระนิพพานแต่ว่าจุดหมายนั้นเราตั้งไว้อย่างนั้นแหละแต่เมื่อสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มมาก็บรรลุนิพพานไม่ได้ผู้ใดพะมากยิ่งนาน ยิ่งนานถึงภ่ภานไปผ่านเช่นทำบาปบ้างทำบุญบ้างอย่างนี้นะเอาตายแล้วก็ไปเสวยผลบุญแล้วก็เสวยผลบาปในขณะที่เสวยผลบาปอยู่นั้นไม่ได้ทำบุญเลยได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นเลย ข้าวได้ได้สวยผลของบุญก็จึงได้ทําบุญกุศลไปคนส่วนมากมากกักจะเป็นเช่นนั้นนะบุญก็ทําบาปก็ทําอย่างว่านันเนี่ยเหตุนั้นแหละมันจึงหลายเหลือล่นมนุษย์โลกของเราเนี่เนื่องจากว่าบุญก็ทําบาปก็ทําไอ้ผู้เป็นบาป พ้นจากนรกมาแล้วจากเปรตมาแล้วมาเกิดเป็นคนเอาเป็นคนยากคนจนเป็นคนใจดํำอมหิทธชั่วช้าสามานมากมายกายกองเพราะเหตุนโลกนี่มันจึงวุ่นวายกันเอาวุ่นวายกับคนที่ใจดํำอมหิทธนี่แหละเพราะว่าพวกคนจากนรกจากเปรตมานี่โวยใจมันดำเพราะมันทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนาน มจิตใจไม่มีเบิกบานได้เลยมีแต่สเสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นถ้าผูใ้ใดรู้ตัวได้แล้วชาติรู้ตื่นตัวได้ชาติได้ชาติหนึ่งเห็นโทษของบาปของกรรมเวรต่างๆแล้วตัดเสินใจละบาปมดไปจากกายวาจาใจเสียแล้ว ตั้งหน้าทำแต่บุญกุศลทำแต่ความดีเข้าไปให้เต็มความสามารถเช่นนี้ลนะบุญก็มากจิบวันนี้บุญบารมีก็แก่กล้าก็มากอย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุญมากเนี่ยหมดอายุสังขารแล้วไปเกิดบนสวรรค์ก็อายุยืนยาวนานนะอันนี้น ผู้ที่บำเพ็ญฌานสมาบัติได้บรรลุฌานสมาบัติตายแล้วไปเกิดพรหมโลกอายุยิ่งยืนนานเป็นกลับเป็นกันนี่อนุภาพของบุญพูดถึงเรื่องอนุภาพของบุญสู่กันฟังเป็นอย่างนี้ในความสุขในสวรรค์ในพรหมโลก มันก็สุขพอสมควรทีเดียวแหละเรียกว่าอย่างว่าโลกมนุษย์ของเรานี่แนหะมันมีเป็นโลกผสมมีทั้งคนบุญคนบาปมาเกิดเอาคนบาปก็รบกวนกับคนบุญให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ อ, อย่างนี้เนะี่ยมันถึงวุ่นวายอยู่เช่นนี้ แต่ทีนี้เทวบุตรเทวดาบนสวรรค์แล้วคนผ่านเช่นนั้นไม่มีนี่เมื่อแต่เป็นมนุษย์นี่ต่างคนต่างชำระกายวาจาใจต้นให้สะอาดปราศจากบาปประรมกรรมมันชั่วต่งตางๆแล้วมีแต่บุญกุศลบางเกิดขึ้นในจิตใจถึงแม่กิเลสจะมี จะยังเหลือยังมีอยู่กิเลสอันนั้นก็ไม่ทําบุคคลพวกนั้นไม่พันดาให้บุคคลพวกนั้นทําบาปนั่นนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ทําบาปเพราะกิเลสอันนั้นเพราะกิเลสนั้นมันเบาบางไปแล้วมันไม่หยาบภายไอ้กิเลสที่พายทําบาปนี่ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงอันหยาบอืม ผู้ใดมีกิเลสเหล่านี้หยาบทายอยู่ในจิตใจแล้วผู้นั้นไม่กลัวบาปเลยทำบาปได้ไม่สะทกสะทานแล้ว <c oughs> ด, ดังนั้นสภพากันพิจารณาดูให้ดีในจิตใจของเรามันเป็นยังไงเราได้มองประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ไอความโลภโกรธหลงอย่างหยาบเช่นนั้นมีหรือไม่ เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องผิดสูตรตัวเองเช่นอย่างว่าเมื่อมันโกรธใครมาแนละ้วมันคิดจะฆ่ า, าคิดอยากทำลายชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะมีไห ม, มสังเกตัวถ้ามีก็แสดงว่ากิ่ในจันงาบฉะนั้นยังมีอยู่ในใจของคุณรั น, นนะ ผ, ผู้นั้นรู้ตัวว่ากิเลสหยาบชนิดมีในใจนี้กลัวกิเลสหยาบอย่างนี้มันจะบันดาลให้ทำบาปนี่ฆ่าสัตว์เป็นต้นมีดื่มสุราเป็นที่สุดอย่างนี้เราก็รีบพยายามละพยายามเจริญเมตตาให้มากมากเข้าไปเมื่อเจริญเมตตามากๆเข้าไปแล้วมันก็อ่อนลงในวันนี้ ความโกรธอันแรงกล้าอย่างนั้นนะความโกรธนี่หมายถึงว่าความชังเอาเอาเอาตื่นตืนกันง่ายๆไอ้ความเมตตาในหมายถึงความรักความรักในเมตตาธรรมนี่ไม่หมายเอาความรักอันประกอบไปด้วยราคะตัณหา หมายถึงความรักความเอนดูกันอยากจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันใ้พ้นจากทุกข์จากไปอันนี้เรียกว่าความรักอันประกอบไปด้วยเมตตาธรรมเป็นเมตตาธรรมความรักแบบนี้นะความรักแบบชู้สาวอันนั้นเป็นความรักอันประกอบไปด้วยกิเลสเป็นสัญชาติ งานของคนเราที่เกิดท่องเที่ยวอยู่ในโลกันิวาสอันนี้มันก็มีกิเลสยางหาบนี่แะติดตามมาก่อนนะเป็นอย่างนั้นในพนี้เมื่อมาเห็นเมื่อกิเลสยังหยาบมีแล้วมันทำให้บรรดานให้ทำบาปทำกรรมไปตกนรกทนทุกข์ทรมานอยู่แล้วพระพุเทธเจ้าบา ง, บาง บังเกิดขึ้นในโลกพวกองค์โปรดเอาอย่างที่แสดงให้ฟังมาแล้วว่าเปิดนรกเปิดสวรรค์เปิดมนุษย์ให้เห็นกันแลยกันสัตว์นรกได้เห็นชาวสวรรค์เทวดามีความสุขสบายมากก็จึงปลาบปรับทุกข์ตอกันแลกันโอ้พวกเรานี่ได้รับทุกข์ทรมานอยู่นี่เพราะทำบาปมาได้เป็นมนุษย์มีคาสัตว์เป็นต้นดังกล่าวนั้นเราถึงได้ คนทุกทรมานอย่างนี้พวกที่ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดานี่เข้าใจเอาเพื่อนไม่ทำบาปกรรมมีข่ า, าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นเพื่อนจึงได้มีความสุขความสบายมากไอ้พวกเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อพ้อนจากนรกนี่ไปเกิดเป็นคนแล้วเราจะรักษาศีลหายบริสุทธ วันพระไปคาที่ห้าความก็จะรักษาสินดโบโสดจะไม่ประมาทพวกสัตว์นรกนั่นได้ปรับทุกข์ต่อกันแลยกันได้ปฏิญญาณตนต่อกันแลยกันอย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดเอาสัตว์นรกสัตว์เปรตสั่งเมเืองนั้นให้เขาตื่นตัวรู้ตัวว่า ไอ้ขึ้นชื่อว่าความชั่วดังกล่าวมาเนี่ยไม่ควรทำโดยแท้มันนำานอยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้แหละสัตว์นรกทั้งหลายก็พากันตื่นตัวกันเพราะว่าพราะองค์จะแสดงตามห้ฟังเขาก็รู้ไม่ได้เพราะเขาได้รับทุกข์ทนทรมานมากเหลือเกนะินใจมืดใจดำไปหมดดังนั้นพระองค์จึงเพียงแค่บันดาลให้ ไฟน้ําล้อนในนรกนั้นเย็นลงไฟดับลงให้สัตว์นรกได้รับความเย็นเลือกเย็นสบายไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ก็รู้สึกตัวอย่างที่ว่านั่นน่ะนี่พระพุทธเจ้าโปรดเอาสัตว์นรกเนี่ยเป็นอย่างนั้นโปรดได้แค่นั้นะอืมดังนั้น พวกเราที่เป็นชาวพุทธนับถือว่าผู้ใจเจ้าพูะทำประสงค์เป็นดีพึ่งที่ะระลึกแก่งนี้มันก็ควรที่จะอุทิศชีวิตของตนปฏิบัติตามคำสอนของผู้ใจเจ้าสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษอธิษฐานใจเราเวนเนดเด็ดขาดลงไปเลยตายเป็นตายไม่ได้ทำบาปแล้วมันจะไม่มีอยู่ไม่กินมัน จะหยวแห้งตายไปเหมือนใบ ไ, ไม้ร่วงนี่ก็เอาให้มันตายลองดูสิหากินโดยทางสุดจริตไม่ต้องทำบาปแล้วมันไม่ได้อยู่ได้กินมันหาไม่ได้อย่างนี้นะก็ให้มันตายลองดูสิเหมงอนันนี่เรียกว่าอุทิศชีวิตอันเป็นที่รักอันนี้ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ดใดทำได้อย่างนี้แล้วก็แน่นอนแหละเมื่อกิเลสยังไม่หมดก็ชั่งตายลงไปก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปดังนั้นเราทุกคนเป็นชาวพุทธแล้วได้เข้าวัดไปฟังธรรมอย่างนี้นะก็สมควรจิตที่จะมีปัญญาแล้วเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนแล้ว เมื่อมีปัญญาแล้วก็สอนจิตใจตัวเองได้อันผู้อื่นสอนจิตสอนใจของเรานั้นท่านสอนได้อยู่แต่ว่าเราจะเอาตามหรือไม่เอาตามมันเป็นสิทธิ์ของเราเองบางคนก็เลยไม่เอาตามก็ไม่มีใครว่าอะไรใครอบางคนก็เอาตามอย่างนี้แหละ ไอ้่วนตนเองสอนตนเองนี่มันสามารถสอนได้อืตนเองสามารถบังคับตัวเองได้ถ้ามองเห็นเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนะั้นนะว่าถ้าขืนทําชั่วอย่างนี้อยู่ตายแล้วก็จะไปตกนรกหมกไม่นานแสนนานอชอบหรือความทุกข์อย่างนั้นนะปัญญานั้นถามตัวเองดูอย่างนี้แหละ แต่แน่นอนนะถ้าเมื่อมีปรรัญญาถามตัวเองตัวเองก็ต้องตอบทนเองเลยโอ้ยใครจะไปชอบขึ้นชื่อว่าความทุกข์นะมันมีใครชอบเลยไอ้ทุกข์ในมนุษย์นี่ยังพอทำเนานะเอาไปทุกข์ในนรกเรายิ่งทุกข์ยิ่งกว่านี้หลายร้อยเท่าอีกซ้าเน้ออย่างนี้ อย่างที่สัตว์นรกปรับทุกข์กันดังกล่าวมานั่นแหละก็มันมันเป็นทุกข์หลายเนะี่ยเขาจะว่าปรับทุกข์กันนะอย่างลูกเศรษฐนะีสี่คนน่ะมีทรัพสมบัติมากพ่อแม่พอพ่อแม่ตายลงเสร็จแล้วก็ชักชวนกันเอาจ่ายเงินนี่ไปบำเรอกรามาคุณ เป็นชื่อว่าลูกใครเมียใครเมื่อต้องการแล้วไม่ผิดหวังเลยเอาเงินไปซื้อเอาอย่างนี้ทำกันไปอย่างนั้นจนตลอดชีวิตเมื่อตายลงไปแล้วก็บาปกรรมแล้วก็นำไ ป, ไ ป, ส, ไปสู่นรกชื่อว่าโลหะกุมพีนรก นรกหม้อทองแดงเมื่อจมลงไปสามหมื่นปีถึงถึงก้นนรกสามหมื่นปีปีของสัตว์นรกนะไม่ใช่ปีเมืองมนุษย์อะปีเมืองนรกนยาวยืดยาวนานกว่าปี มนุษย์มีหลายร้อยเท่าเป็นอย่างนั้นเมื่อไปถึงคนละนกแล้วก็ฟูขึ้นมาอีกสามหมื่นปีจึงจะถึงปากนรกในระยะที่จมลงหรือฟูขึ้นมานั้นน้ำร้อนรูกออกไฟเผาแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากเหลือเกินนี่ โทษกาเมสุมิสาจารย์อันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อโอขึ้นมาสู่ปากนรกแล้วต่างคนต่างก็จะปรับทุกข์ต่อกันและกันต้นที่หนึ่งก็ว่าทุกต้นที่สองก็ว่าสะต้นที่สามก็ว่านะต้นที่สี่ก็ว่าโศ พันได้พูดคนรักธเท่านั้นแล้วจมดิ่งลงไปเลยทุกนั่นหมายความว่าเรานั่นเป็นคนทุกชีวิตทุสินทุธรรมแต่เป็นมนุษย์ไม่ได้รักษาสินไม่ได้เจริญธรรมให้เกิดให้มีขึ้นทำแต่บาปเพราะเหตุนั้นเราจึงได้รับทุกทนทรมานอยู่ยนี่แหละอ๋งั้นนะ เรามาตกนรกนี่จมลงไปสามหมื่นปีแล้วก็พูขึ้นมานี่อีกสามมื่นเป็นหกหมื่นปีและแสนทุกทนทรมานมเมื่อไรหนออย่างนี้ตอนหนึ่งดันหน้าหน้านี่แปลว่าไอความสุขของเราแม่น้อยหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในนรกนี่ เมื่อไหรก็จะจะพ้นจากนารกนี้ก็ไม่รู้โสตอนสุดท้ายลำพึงว่าเมื่อไรโนเราจึงจะพ้น จ, นจากนารกนี้ไปได้พวกเรานี่จะเป็นมนุษย์มัวเมาประมาทนะ <c oughs> เห็นแต่ความสุขสนุกชั่วคราวดังกล่าวมาแล้วนะั่นนี่ว่ามีเงินมีทองเลยกระจายเงิน แต่เมื่อเวลาบาปกรรมมันให้ผลมันแก้ไม่ตกแล้ววนันนี้มีแต่ลองโวนคางมีแต่ดิ้นโลนกมวลกระไวยอยู่ในนรกนั้นเ อ, อ่อย่างนี้นะบางคนก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้ใครไม่เชื่อก็แล้วไปไม่มีใครบังคับใครให้เชื่อหรอกอืมก็แล้วแต่ใครจะเชื่ออืม ถ้าผู้ใดเชื่อแล้วก็เว้นจากบาปจากโทษดังกล่าวมานั้นแล้วผู้นั้นก็ไม่ได้ไปสู่นรกนั่นอีกเท่านั้นแหะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาสร้างสีอสงไขยปลายแสนมากับก็เพื่อที่จะให้ได้ตัดสรุรู้แจ้งถึงบาปบุญคุณโทษรู้แจ้งนรกสวรรค์นิพพาน นี่เองนะไม่ใช่ว่าสร้างบา ร, รมยมีมาเพื่ออะไรอ่ะนนเนี้ยดังนั้นเมื่อพระองค์ได้ละอาสวะกิเลสขาดจากพระกััฏฐานแล้วพระองค์ก็จึงมีพระปัญญายาณอย่างรู้ไปหมดเลยทั้งโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงพระนิพพานรู้แจ้งเลย อย่างนี้พระองค์รู้แจ้งเช่นนี้เลยก็จึงได้นํามาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เกิดแก่เจ็บตาย เ, าเราเราเกิดมาเป็นคนนี่นะเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายนี่มันก็เป็นทุกข์พลังอยู่แล้ว น, นั่นนี่แล้วพอที้เมื่อบาปกรรมมันให้ผล ไปตกนรกน้ำร้อนลวกคอยผ่าว่ายิ่งทุกข์หลายกว่านี้อีกเช่นนี้พระองค์ทรงแสดงอริยสัจสี่นั้นพระองค์ก็แสดงทุกข์ขึ้นต้นเลยชาติชลาพยาธิมรณะนี่เป็นทุกข์ทุกจริงเลยอ่อย่างนี้เลยนี่พระองค์พูดรวมๆคำว่าเกิดแก่เจ็บตาย จะเป็นเกิดเป็นคนเป็นตัดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาอินพรหมก็ก็เหมือนกันเน่ชื่อว่าชาติความเกิดแล้วย่อมเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยต่างแต่ว่าทุกข์มากทุกข์น้อยกว่ากันเท่านั้นเองไอ้พวกที่ละอาสวะกิเลสให้น้อยบาบางละบาปกรรมให้น้อยเบาบางไปแล้วเช่นไปเกิดเป็นเทวดา ต่เกิดเป็นพรหมอย่างนี้ก็มีทุกน้อยไม่มากเพราะว่าบาปไม่มีดันงนั้นไอ้พวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็นะับว่าเป็นผู้ไม่มี เ, เป็นมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้ก็แสดงว่าถ้าได้ทำบาปมาแต่ก่อนก็คงเสวยผลแห่งบาปนั้นหมดไปแล้ว มีบุญตามมาให้เกิดเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ดีอย่างนี้ก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์ไม่มากเท่าบุคคลผู้มีบาปผู้มีบา ป, ม, บาปมีบุญเป็นคู่ขนานพามาเกิดในโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วางนี่บาปมันให้ผลบาปมันให้ผลทนทุกข์ทรมาน เช่นอย่างบางคนเป็นโรคเป็นภัยอันร้ายแรงรักษาอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอันนี้ระบา b มันตามมาให้ผลเราเห็นกันอยู่ด่าดื่นเลยบางคนก็มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็รักษาหายได้อันนี้เขาเรียกว่าบาปไม่มากมบาปน้อยเด้งั้น ถ้าได้เกิดเป็นคนนี่ก็ยัง ก, ก็เป็นทุกข์อยู่พอแรงนะวันนี้สัตว์สิ่งนิร า, านดรที่เกิดร่วมโลกกันนี้มันยังเป็นทุกข์กว่ามนุษย์นี่อีกยังยังเป็นทุกข์กว่ามนุษย์ผู้ที่มีกรรมมีเวณไปซ้ำอีกไอ้พวกสัตว์สิ่งนิราานันดรเพราะว่าไม่มีอำนาจอะไรมีแต่มนุษย์ข่มเหงล่าเอามา เชื้อเป็นอาหารการกินอยู่อย่างนั้นอไอสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใดฉา ย, า ย, ายมันเป็นทุกข์เพราะมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นล่ามันอมันก็เหมือนก็กลัวตายมีปิ่มก็บินหนีมีขามันก็วิ่งหนีถ้าสัตว์อยู่ในน้ํามันก็ว่ายแหวกว่ายหนีหนีไม่พ้นก็ไปติดอวนเขาก็ตายสัตว์สี่เท้า พวกเก้งพวกกว้างเห็นมนุษย์วิ่งหนีวิง่งอเขาติดตามยิงถูกปืนเขาก็ตายนี่สัตว์ดีดีฉานนะ่ะมันเป็นทุกข์ทนทรมานยิ่งกว่ามนุษย์อีกเองมันเป็นขั้นเป็นขั้นไปในความทุกข์ของสัตว์โลกนี้นะเราพรนพากันพิจารณาเรื่องความทุกข์ในชีวิตนี่ให้เห็น เออถ้าเราทำบาปทำกรรมมันชั่วร้ายตายแล้วเราจะไปตกนรกหรือไม่เช่นนั้นจ ะ, จะไปเกิดเป็นเป็ดหรือไม่เช่นนั้นจะเป็นเป็ดสัตว์สิงเดรฉาส น, นี่จะเป็นสัตว์สิ่งเดรฉ า, านได้รับทุกทรมานดังที่เราเห็นด้วยตาของเราเองอยู่เนี่ยก็สอนใจเข้าไปสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะ ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำบาปมีค้าสัตร์เป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นเกิดไปชาติใดก็จะมีสุขภาพอรมาเยดีมีอายุยืนยาวนานเป็นอย่างนั้นแล้วก็มั่งมีสีสุขก็ไม่ทุกข์ไม่จนอย่างนี้กานเกิดเป็นคนมาเป็นคนผู้มีบุญอย่างว่าอันนี้ก็มีความสุขสมควร พอสมควรแต่บางยุบางสมัยเพื่อนทำบุญมาแต่ก่อนนั้นมากมายกายกองแล้วไม่ทำบาปตายแล้วไปเกิดในชาติต่อไปน่อายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมื่นปีตั้งแสนปีหลายแสนปีก็มีอ่านี่อนุภาพของบุญกุศลนะเป็นอย่างนั้นนี่แสดงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะ ไม่ได้เดาเอาอะเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนน่ะจึงไม่ควรที่จะมาห่วงความสุขชั่วคราวอันนี้เลยควรห่วงจิตใจตัวเองนี่ดีกว่าเพราะร่างกายในห่วงปัญได้มันก็ไม่ฟัง มันก็สำรุษสุดฐมในที่สุดมันก็แตกบแบบเมื่อหมดบุญหมดวาสนาลงแล้วดังนั้นเรามาฝึกใจทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่ดีกว่าส่วนร่างกายนั้นก็หาเลี้ยงมันโดยทางสุจริตไม่ทำบาปเสนั้นได้ได้ยังไงก็เลี้ยงมันไปตามได้ตามมีมันจะแตกจะดับเมื่อไรก็แล้วแต่เลี้ยงมัน พอใดไหนมันก็จะแตกจะดับอยู่แล้วแม้ใครจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาต้มมาแกงกินอร่อยอร่อยจากหรไก็ตามเถิดเมื่อถึงวันตายก็ตายไปอย่างนี้นะไม่มีใครยั่งยืนอยู่ได้หรอกอาหารจะอร่อยปันไหนมันก็มันมันก็สู้กฎธรรมดาไม่ได้ กฎธรรมดาคือว่าบุญเก่าที่สร้างมาในชาติก่อนนั้นหมดลงนั่นในบุญก่อนนั้นหมดลงเมื่อใดแล้วก็ไปเมื่อนั้นน่ะแม้จะมีอาหารดีๆหล่อเลี้ยงอะไรมันก็ไม่อยู่อยู่ไม่ได้อืมนั่นเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจมันชัดเจนคนส่วนหลายไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไป ให้มองเห็นว่าอา้าวตัวจิตนี่สําคัญกว่าร่างกายม่นไม่ได้พี่ณนาะให้ให้เห็นชัดลงอย่างนี้นี้เหตุสาเหตุยังว่าจิตสําคัญกว่ากายเพราะจิตนี่มันไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่มันไม่ได้สูญหายเหมือนร่างกายร่างกายในเมื่อหมดอุญเก่าแล้วตายลงไปเขาก็เอาไฟเผา ก็เหลือเท่ากบกระดูกเนี่แล้วเอาไปทำอะไรอะไรก็ไม่ได้เลยอย่างนี้ร่างกายของมนุษย์เราของสัตว์ก็เหมือนกันเป็นงั้นอันนี้คนพิจารณาให้เข้าใจไอ้ส่วนจิตนี่นะเมื่อไม่ฝึกขนไม่อบรมไปใช้แต่กายวาจาทำบาปทำกรรมมาเลี้ยงกายร่างกายสังขารอันนี้ สั่งสมบาปไวในจิตดวงนี้มากมากเข้าไปอพอบุญเก่าหมดลงจิตนี้ถอนออกจากล่างนี้แล้วมันก็บาปกรรมก็นาดวงจิตนี้ไปตกนรกเป็นเปรตตันกล่าวมาแล้ว้ได้ทนทุกข์ทรมานก็จิตดวงเดียวนี้แหละไปนรกก็ดีนั่นอย่าไปสงสัยเลยไม่ใช่จิตมันเกิดใหม่อีกนะไม่ใช่ <c oughs> จิตดวงเก่านี้นะจะเกิดอีกกี่ร้อยชาติพันชาติแสนชาติก็จิตดวงเก่านี้มันเป็นอย่างนั้นเดืองมานะดังนั้นผู้ดใดรู้ตัวนี้แล้วก็สำลวมจิตใจรักษาจิตของตนอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงมันครอบงำเช่นนี้แล้วเน้อไปเกิดในภพใดชาติใดก็เกิดดี ก็มีความสุขความเจริญตามฐานะไอความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเกิดจากกรรมทั่วเป็นชั่วไม่มีแบบนี้ดัะนั้นยังอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นนคนบางยุคบางสมัยอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีไปกระเพราะคนเหล่านั้นไม่มีบาปตามสนองร่างกายจึงค่อยไม่มีโรคภัยอะไรแรงเบียดเบียนอายุก็จึงยืนยาวนานไม่สั้น สมัยใดคนอายุสั้นแสดงว่ามีบาปกรรมที่ตนทำมาใชาติก่อนมากมายมันตามมาตัดรอนชีวิตให้สั้นเขาตายเร็วนี่มันมันมีเหตุผลอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อเข้าใจในีตามรักษากจิตตัวเองอย่าให้จิตมันคิดไปทางบาปอากุศล ให้มันมองเห็นร่างกายสังขารเนี่ยไม่เที้ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันเกิดมานี่กบุญกุศลที่ทําแต่ก่อนที่ทํามาแต่ก่อนนั้นมาตกแต่งอาศัยธาตุของมานดาบิดาตกแต่งให้เกิดจากธาตุของมันดาบิดาร่างกายทุกส่วนนี้นะอย่าลืมนะอันเนี้ยถ้าหากว่า ต่ใช้กายวาจานี่ทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปก็เท่ากันกับว่าเอามูลมรดกของมารดาบิดานี่ไปทำชั่วไปทำชั่วแล้วแต่ว่าดวงจิตนี่ได้เป็นผู้ได้สวยผลแห่งความชั่วนั้นคือความทุกข์ส่วนร่างกายมันประกอบด้วยธาตุสีน้ำไฟลมมันไม่รู้สึกทุกข์อะไรหรอก ในเมื่อเวลาจิตถอนออกไปแล้วมันก็เหมือนท่อนกล้วยท่อนไม้ตัดลงทิ้งไว้บนดินนี้เองไม่รู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้ดีภาวนาให้เห็นว่าร่างกายไม่มีสาระแกนสารอะไรเราจะไปใช้มันทำบาปมาเลี้ยงตัวเองทำไมเมื่อตายไปแล้วผู้เสวย ผลแห่งบาปนั้นคือดวงจิตร่างกายไม่สวยด้วยมันเป็นเท่าเป็นฐานไปในไฟเผาเอาแล้วมันจะไปนรกไปสวรรค์ที่ไหนได้เลยร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้นะขอได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาสำรวมจิตให้แน่วแน่ลงไฟละเพ้งพิจารณาร่างกายอย่างเห็นจริงตามเป็นจริง พี่นาะเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอย่างที่อธิบายให้ฟังคอบควรดูให้เข้าใจโดยแจมแจ้งแล้วมันก็จะตัดสินใจสละบาปกรรมความชั่วตั้งใจทำแต่ความดีจนตลอดชีวิตชีวาแล้วก็คงไม่ผิดหวังดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้